สุบินนิมิตบ่งบอกสุบินนิมิตคือความฝันก็บ่งบอกชะตาชีวิตและอุปนิสัยของบุคคลที่เคยอบรมสั่งสอนมาแต่ปางก่อนท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่านับตั้งแต่วันบวชเป็นพระมาฝันทุกครั้งที่นอนหลับคือฝันว่าได้ไปนโน่นไปนี่อยู่ในสภาพที่เป็นพระนี้และแปลก เราบนบาสพายดาบที่เท้าทั้งสองข้างมีรองเท้าทำด้วยหนังภายหลังมาพิจารณาได้ความว่าดาบคือปัญญารองเท้าคือสมาธิเมื่อปฏิบัติไปหากไม่มีอาจารย์แนะนำก็สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ท่านว่าและยังว่าต่อไปว่าบุคคลผู้บริจาควัตถุประเภทโลหะ เช่นบาทมิดโกนและเข็มเย็บผ้าเป็นการเพิ่มปัญญาบารมีเวลาท่านจะให้ของเปตะเล็ดแก่ศิษย์มักจะหยิบเข็มออกมายื่นให้สาธุรศิษย์ผู้เล่าก็เคยได้รับจากมือท่านส่วนการบริจาคหนังเช่นหนังรองนั่งและรองเท้าเป็นการบำเพ็ญเจริญฌานอธิษฐานบารมีมีพลานิสง ผู้เล่าเคยตัดรองเท้าหนังถวายท่านและพระเทระหลายองค์รองเท้าที่เป็นฝีมือของผู้เล่าคือคู่เล็กส่วนคู่ใหญ่เป็นฝีมือของท่านอาจารย์วิริยังดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ทันพระอาจารย์มั่นอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกล น, นครหมายเหตุเครื่องรองนั่งทุกชนิดเช่นผ้าปูนั่งรมปูนั่ง มีในจำมะขันผู้บริจาคมีอนิสงฆ์ทำจิตให้รวมเร็ว